เดือนนี้เป็นเดือนที่เราระลึกถึงการที่สำรวจชีวิตของตัวเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการสำรวจชีวิตของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่คริสเตียนพึงกระทำอยู่อย่างสม่ำอยู่อย่างสม่มเสมอและก็จริงๆแล้วก็ต้องทำอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าในชีวิตประจาวันของเรามีสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวัง และการเฝ้าระวังที่ดีที่สุดคือการเฝ้าระวังด้วยใจที่อธิษฐานอยากจะให้เราดูคลิปวิดีโอหนึ่งด้วยกันนะคะเป็นคลิปวิดีโอที่เคยฉายเมื่อนานมาแล้วนะคะลองดูอีกครั้งหนึ่ง No, no, no, no. จริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเรานะคะเราก็ไม่ต่างจากลูกหมีตัวนั้นเราก็มีความสุขอยู่กับการดําเนินชีวิตในแต่ละวันดูมันไม่ได้มีอะไรมีความสุขสุข ส, ข ส, ขสบายและเราก็สรารวนวุ่นวายอยู่กับอาชีพการงานความวุ่นวายครอบครัวสิงสส่งสารพัดต่างๆที่มัน ต้องใช้ชีวิตของเราและบางครั้งเราก็ปล่อยชีวิตของเราให้มันอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นหนึ่งเปรโตบทที่หข้อที่8บอกว่าท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระวัยให้ดีด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆดุดสิงคำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ การทดลองของมารบางครั้งมันไม่ได้มาในรูปแบบที่น่ากเกลียด น, น่ากลัวและการทำงานของมารหรือสิ่งที่มารจะเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยบางทีมันไม่ได้มีสัญญาณเตือนภัยบอกเรามาก่อนเวลาที่เราชะล่าใจเวลาที่เราปล่อยชีวิตให้ไปตามกระแสะของโลกนี้หรือปล่อยชีวิตของเราให้ไปเป็นกระแสะไปตามแต่ละวัน สิ่งเหล่านั้นเองมานมันก็มองและเสาะหาและก็รอเวลาที่มันจะกระโจนและจู่โจมเข้ามาในชีวิตของเราและเมื่อเราไม่ได้ระวังชีวิตของเราให้ดีเราก็เหมือนกับหมีลูกหมีตัวนั้นที่ต้องวิ่งหนีวิ่งหนีเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดมาน มันก็ไม่ได้หยุดเพียงแค่เราหนีมันพ้นไปแล้วมันไม่ได้พ้นง่ายๆนะคะมัทธิวบทที่ยี่สบหกข้อที่สี่สิบเอ็ดที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้ท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกทดลองจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จรงิงแต่กายยังอ่อนกำลังพระธรรมตอนนี้เป็นตอนที่ พระเยซูทรงไปอธิษฐานที่สวนเกสเทมานีเป็นเวลาที่พระองค์สำแดงออกถึงความเป็นมนุษย์ของพระองค์อย่างเต็มที่นั่นก็คือเผชิญหน้ากับความกลัวที่สุดของชีวิตสิ่งที่จะต้องเผชิญหน้ามันคือความเจ็บปวดและกับความตายเวลานั้นพระเยซูคตอทรงอ่อนกำลังอ่อนกำลังกายและจิตวิญญาณก็อ่อนด้วยพระองค์ทรงเข้าไปในสวน แต่ลำพังและใช้เวลาอธิษฐานกับพระบิดาเพราะนั่นคือแหล่งพลังที่เดียวที่จะสามารถช่วยได้ในเวลานั้นเพราะว่าการทดลองที่กำลังจะเกิดขึ้นกับพระเยซูคริสต์นั้นมันหนักหนามันมากมายเกินกว่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะกล้าที่จะเดินหน้าและเพื่อผเผชิญพระเยซูคริสต์ทรงปรารถนาอยากให้เหตุการณ์มันผ่านไป ความเจ็บปวดแห่งกลางเขนที่มันกําลังเลื่อนใกล้เข้ามาพระองค์ต้องการอยจะให้มันผ่านไปและเมื่อพระองค์หันมามองดูสาวกของพระองค์ทุกคนกําลังน อ, นอนหลับสบายพระองค์ปลุกแล้วก็เตือนว่าจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อว่าสาวกของพระองค์จะไม่ถูกการทดลองเหมือนกับที่พระองค์ทรงกําลังต้องผเผชิญอยู่เมื่อพระองค์ตัดเช่นนั้นแล้วสิ่งที่สาวกทำ ครั้นพรทรงเสด็จกลับไปทรงเห็นพระองค์เสด็จกลับมาพระองค์เห็นสาวกนอนหลับอยู่เหมือนเดิมจึงละเข่าไว้และเสด็จไปอธิษฐานครั้งที่สามและเสด็จกลับมาตัดกับพวกสาวกว่าท่านจะนอนต่อไปให้หายเหนื่อยอีกหรือเวลามาใกล้แล้วในชีวิตคริสเตียนของเราหลายครั้ง มันยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราก็นิ่งนอนใจเรารู้สึกว่าชีวิตคริสเตียนมันสร้างเป็นสิ่งที่ดีหรือชีวิตมันก็เรื่อยเรื่อยเราก็นอนหลับเหมือนกับสาวกเพราะความเหนื่อยอ่อนของร่างกายจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงคือเรารู้ว่าเราได้รับความรอดจากพระเจ้าแน่อยู่แล้ว แต่กำลังของเราการทดลองที่มันกําลังจะเข้ามาและมันเป็นการทดลองฝ่ายร่างกายหลังจากที่พระเยซูกิตเตือนสาวกแล้วสิ่งที่เขากระทาก็คือนอนต่อไปพระองค์เสด็จกลับมาครั้งที่สองพระเยซูกิตไม่พูดอะไรอีกและเมื่อพระองค์ทรงเห็นแล้วว่ามันคงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะพูดพระองค์ทรงเสด็จกลับไปครั้งที่สและพระองค์ทรงตรัดด้วยคําพูดที่หนักว่า ท่านจะนอนต่อไปให้หายเหนื่อยอีกหรือเมื่อไหร่ถึงหายเหนื่อยเราเคยไหมคะว่าเราเหนื่อยมากเลยแต่นอนเท่าไหร่มันก็ไม่อิบบางทีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราและฝ่ายร่างกายของเราการนอนเฉยๆมันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรจริงๆตลอดทั้งคืนพระเยซูคริสต์ไม่ได้บรรทมเลย พระองค์เฝ้าอธิษฐานเพื่อจิตวิญญาณของพระองค์เองจะเข้มแข็งและพร้อมจ ะ, ะเผชิญกับสิ่งที่ลอยอยู่ภายภาคหน้าในเวลาเดียวกันพระเยซูก็ทรงอธิษฐานเพื่อสาวกของพระองค์ด้วยที่กําลังนอนหลับสบายสาวกนิ่งนอนใจและก็ไม่ได้เฝ้าระวังพระเยซูเตือนเขาแล้วว่าให้เขาเฝ้าระวัง เหตุผลคือเพื่อตัวเขาเองจะไม่ได้ตกอยู่ในการทดลองและสาวกก็นอนหลับไม่ได้ลุกขึ้นมาแล้วเฝ้าระวังและอธิษฐานและสุดท้ายเขาทั้งหมดทุกคนก็ตกเป็นเหยื่อแห่งการทดลองด้วยกันทุกคนสาวกเหล่านั้นก็คือเราทุกคนเหมือนกันหลายครั้งที่เราเองก็ไม่ได้เฝ้าระวังชีวิตของตัวเอง เรามักจะถูกล่อลวงด้วยหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตและทำให้ชีวิตของเราหลงออกไปจากทางของพระเจ้าไม่ว่าทางไหนก็ทางหนึ่งบางครั้งเราคิดว่าเรารู้เรารู้จักตัวเราเองเรารู้ลิมิตของเราเรามีความเชื่อมากมายแต่อย่าลืมว่ามารเองก็ฉลาดและบางครั้งมันฉลาดมากกว่าเราด้วยซ้ำฮีบรูบทที่10บข้อที่37ถึงข้อที่38 บอกว่าอีกไม่นานพระองค์ผู้ทรงเสด็จมาก็จะเสด็จมาและจะไม่ทรงชักช้าแต่คนชอบธรรมของเรานั้นจะดำรงชีวิตด้วยความเชื่อและถ้าความเชื่อของเขาเสื่อมถอยเราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลยชีวิตมันไม่ได้จบลงแค่ที่ความเชื่อนะคะความเชื่อต้องมีการพัฒนา จิตวิญญาณของเราต้องมีการเติบโตจเจริญเติบโตความเชื่อของเราก็ต้องมีการพัฒนาจากผู้เชื่อใหม่ให้มันเข้มให้เกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆโดยการที่เราเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าใส่ใจกับความเชื่อใส่ใจกับการศึกษาหาความรู้ในทางของพระเจ้าเพื่อว่าอะไรเพื่อความเชื่อของเราจะไม่เสื่อมถอยในรพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าเป็นคําพูดที่ง่ายๆ ว่าถ้าความเชื่อของท่านเสื่อมถอยเราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลยเราต้องสำรวจตัวเองว่าถ้าตอนนี้วันนี้พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาพระองจะมีความพอใจในชีวิตทางความเชื่อของเราหรือเปล่าแต่วันนั้นและโมงนั้นไม่มีใครรู้ เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเตรียมตัวให้พร้อมเพราะในโมงที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้นบุตรมนุษย์จะเสด็จมาไม่มีใครรู้ว่าพระองค์จะเสด็จมาเมื่อไหร่แต่หน้าที่เดียวของเราคือเตรียมชีวิตของเราให้พร้อมและในพระธรรมฮีบรูบอกว่าการสำรวจชีวิตสำรวจการกระทำของเราเราดำเนินชีวิตของเราตามความเชื่อศรัทธาของเราหรือเปล่า และเมื่อความเชื่อศรัทธาของเราในองค์พระเยซูคริสต์นั้นเราเองต้องมีความเชื่อและดำเนินตามความเชื่อนั้นสิ่งที่สำคัญไม่ได้แค่ว่าเรามีความเชื่อสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือการดำรงชีวิตตามความเชื่อที่เรามีคนต้องเห็นพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราเพราะว่าในที่สุดแล้วความเชื่อของเราชีวิตของเราต้องได้รับการตรวจสอบ ความประพฤติของเราก็ต้องได้รับการตรวจสอบจากพระเจ้าจิตวิญญาณของเรานั้นเติบโตแค่ไหนเติบโตขึ้นหรือเสื่อมถอยลงมีมีบทความตอนหนึ่งเขียนเอาไว้อย่างนี้นะคะอาจจะยาวสักหน่อยเป็นเรื่องราวเป็นบทสนทน า, นทนาระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าวันหนึ่งข้าพเจ้ารู้สึกว่าพระเจ้าได้ทรงปรากฏกับข้าพเจ้า พระองค์ตรัสถามข้าพเจ้าว่าเจ้ารักเราหรือข้าพเจ้าตอบว่าแน่นอนพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพรงจากนั้นพระองค์ถามว่าถ้าเจ้าพิการเจ้าจะยังรักเราอยู่หรือไม่ข้าพเจ้ามองดูร่างกายดูแขนขาและส่วนต่างๆของร่างกายจากนั้นข้าพเจ้าจึงตอบพระเจ้าว่า ดูมันอาจจะยากที่จะคิดว่าเราพิการแต่ข้าพเจ้ามั่นใจว่าข้าพเจ้าจะยังคงรักพระองค์จากนั้นพระองค์ตรัสถามว่าแล้วถ้าเจ้าตาบอดเจ้าจะยังรักเราอยู่หรือไม่เจ้าจะยังรักสิ่งที่เราสร้างอยู่หรือไม่ข้าพเจ้าสามารถรักบางสิ่งโดยปราศจากการมองเห็นได้ จากนั้นข้าพเจ้าจึงคิดถึงคนตาบอดมีคนตาบอดตั้งเยอะแยะในโลกนี้แล้วเขาก็เชื่อพระเจ้าเขาก็รักสิ่งที่พระเจ้าสร้างข้าพเจ้าจึงตอบพระเจ้าไปว่ามันยากที่จะคิดว่าเป็นคนตาบอดและยากเมื่อคนตาบอดเนี่ยจะมองเห็นสิ่งทรงสร้างของพระเจ้าแล้วจะบอกว่ารักได้แต่ข้าพเจ้ามั่นใจว่าข้าพเจ้าจะยังคงรักพระองค์พระองค์ตรัสถามต่อไปว่า แล้วถ้าเจ้าหูหนวกเจ้าจะยังฟังถ้อยคำของเราอยู่หรือไม่จะทำยังไงข้าพเจ้าจะสามารถได้ยินข้าพเจ้าได้ยินสิ่งต่างๆจากหูและถ้ามันหูหนวกไปเราจะได้ยินถ้อยคำของพระเจ้าได้ยังไงข้าพเจ้าก็คิดแล้วก็เข้าใจว่าการฟังถ้อยคำของพระเจ้านั้นก็ไม่ได้ฟังเพียงแค่หูเท่านั้นเราสามารถฟังถ้อยคาของพระเจ้าจากหัวใจของเราได้ ข้าพเจ้าจึงตอบพระเจ้าว่าถึงอย่างไรข้าพเจ้าก็จะยังคงฟังถ้อยคําของพระเจ้าพระเจ้าตรัสต่อไปว่าแล้วถ้าเจ้าเป็นใบเจ้าจะยังสรรเสริญเราอยู่หรือไม่ข้าพเจ้าคิดแล้วก็ทบทวนว่าการสรรเสริญพระเจ้าโดยปราศจากเสียงเราจะทําอย่างไร พระเจ้ามีพระประสงค์อยากให้ข้าพเจ้าร้องเพลงจากใจแล้วจากจิตวิญญาณมันไม่สําคัญว่าเราจะมีเสียงอยู่หรือเปล่าข้าพเจ้าจึงทูลตอบพระเจ้าว่าถึงข้าพเจ้าจะไม่สามารถร้องเพลงด้วยเสียงได้แต่ข้าพเจ้าจะยังคงสรรเสริญพระเจ้าและพระเจ้าถามข้าพเจ้าตอบไปว่าเจ้ารักเราหรือข้าพเจ้าตอบพระเจ้าด้วยเสียงอันหนักแน่นว่าแน่นอน ข้าพเจ้ารักพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นหนึ่งเป็นพระเจ้าที่แท้จริงข้าพเจ้าคิดในใจว่าพระเจ้าจะต้องพอใจกับคำตอบและคำยืนยันของข้าพเจ้าเป็นแน่และพระเจ้าทรงถามข้าพเจ้าตอบไปว่าถ้าเจ้ารักเราแล้วทำไมเจ้ายังทำบาปอยู่ข้าพเจ้าตอบพระเจ้าว่า เพราะข้าพเจ้าเป็นเพียงมนุษย์และข้าพเจ้าก็ไม่สมบูรณ์แบบฉะนั้นแล้วเนี่ยข้าพเจ้าก็ยังคงทําความบาปอยู่บ้างแต่ข้าพเจ้าก็พยายามแล้วพระเจ้าตรัสต่อไปว่าแล้วทําไมเวลาแห่งความสุขเวลาที่เจ้ามีความสุขจึงเพิกเฉยต่อเราแต่เวลาแห่งความทุกข์และปัญหาเจ้าถึงอธิษฐานแล้วก็ขอจากเรา พระเจ้าไม่มีคำตอบมีแต่เพียงหยดน้ำตาทำไมเจ้าร้องเพลงในเวลาแห่งการสามัคคีธรรมทำไมสแสวงหาเราเพียงเวลาแห่งการนมัสการทำไมเจ้าเฝ้าเพียนขออย่างคนเห็นแก่ตัวทำไมเจ้าขอสิ่งต่างๆโดยปราศจากความเชื่อและศรัทธา น้ำตาของข้าพเจ้าเริ่มไหลอาบลงที่ใบหน้าพระเจ้าตรัสต่อไปว่าทำไมเจ้าอายต่อ น, นามของเราทำไมไม่มีความตั้งใจที่จะประกาศความเชื่อของเจ้าและทำไมถึงมีแต่ข้อแก้ตัวเมื่อเจ้ามีโอกาสที่จะได้รับใช้เราข้าพเจ้าพยายามแสวงหาคำตอบ แต่ข้าพเจ้าไม่สามารถตอบพระเจ้าได้เลยพระเจ้าตรัสว่าเราอวยพรเจ้าเราประสงค์ที่จะให้เจ้าเราไม่ประสงค์ที่จะให้เจ้าโยนพรนี้ไปเราได้อวยพรเจ้าด้วยความสามารถที่จะรับใช้เราแต่เจ้ายังคงหนีเราได้ให้ถ้อยคำของเรากับเจ้าแต่เจ้าไม่แสวงหาความรู้ใดๆ เราได้พูดกับเจ้าแต่เจ้าปิดหูของตัวเองเราได้แสดงให้เจ้าเห็นพระพรด้วยตาของเจ้าแต่เจ้าก็หันจากพระพรนั้นเราได้ยินเสียงคำอธิษฐานของเจ้าและเราตอบคำอธิษฐานเหล่านั้นทั้งหมดเจ้ารักเราจริงหรือข้าพเจ้าไม่สามารถตอบพระเจ้าได้ข้าพเจ้าจะทาเช่นไร เขาเจ้ารู้สึกละอายใจเหลือเกินเขาพระเจ้าไม่มีข้อแก้ตัวไม่มีคํากล่าวใดๆหัวใจของข้าพเจ้าร้องไห้และน้ําตาของข้าพเจ้าก็ไหลล้นข้าพเจ้าทูลต่อพระเจ้าว่าโปรดอภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าไม่มีค่าพอที่จะเป็นบุตรของพระองค์พระเจ้าตรัสว่าเจ้าคือพระพรและเจ้าก็เป็นบุตรของเรา ข้าพเจ้าทูลพระเจ้าว่าทำไมทำไมพระองค์ยังทรงอภัยให้ข้าพเจ้าทำไมพระองค์ยังรักข้าพเจ้าพระเจ้าตรัสว่าเพราะว่าเราสร้างเจ้าและเจ้าก็เป็นบุตรของเราเราไม่มีวันละทิ้งเจ้าเมื่อเจ้าร้องไห้และทูลต่อเราเราจะให้ความเมตตาและเราจะร้องไห้กับเจ้าเมื่อเจ้าตะโกนด้วยความชื่นชมยินดี เราจะหัวเราะกับเจ้าเมื่อเจ้าตกต่ำเราจะให้กำลังใจเจ้าเมื่อเจ้าล้มลงเราจะพยุงเจ้าขึ้นเมื่อเจ้าเหนื่อยเราจะประคองเจ้าเราจะอยู่กับเจ้าจนวันสุดท้ายเพราะว่าเรารักเจ้าและเราจะรักเจ้าตลอดไปข้าพเจ้าร้องไห้อย่างที่ไม่เคยร้องมาก่อนและข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าจะทำอย่างไรข้าพเจ้าจะทำให้พระเจ้า ที่จะไม่ทำให้พระเจ้าเสียใจกับชีวิตของข้าพเจ้าอีกข้าพเจ้าทูลถามพระองค์ว่าพระองค์ทรงรักข้าพเจ้ามากแค่ไหนและพระเจ้าทรงกางแขนของพระองค์ออกและข้าพเจ้ามองเห็นรอยตะปูที่พระหัตถ์ของพระองค์หลายครั้งชีวิตของเรามันง่ายมากที่เราจะบอกรักพระเจ้า มันง่ายมากที่เราจะยืนยันความเชื่อของเราเพียงแค่เราบอกพระเจ้าว่าเรารักพระเจ้าแต่สิ่งที่สาคัญพระเจ้าไม่ได้ต้องการที่จะแค่ได้ยินจากเราแต่เจ้าพระเจ้าแต่พระเจ้ า, รจาปราจนาจะเห็นชีวิตของเราพระเจ้ามองเห็นตัวตนทั้งหมดจริงๆของเราเคสเซียนที่สักซื้อกับพระเจ้า เขาไม่ได้สัตซ์ซื่อเพียงแค่คําพูดแต่เขาสัตซ์ซื่อกับพระเจ้าจากสิ่งที่อยู่ภายในชีวิตของเขาจากการกระทําในแต่ละวันของเขาจากชีวิตที่เขาต้องเผชิญหน้ากับพระเจ้าการดําเนินชีวิตอย่างผู้ที่เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนหรือคริสตชนเราจําเป็นต้องสัมแดงชีวิตของเราออกสัมแดงชีวิตแห่งความรักของพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่เป็นผู้เชื่อเท่านั้น เราจําเป็นต้องสํารวจชีวิตของเราอยู่สม่ําเสมอทุกๆุกวันเพราะการสํารวจชีวิตของตัวเองเป็นการใคร่ครวญว่ามีส่วนไหนในชีวิตของเราที่เรายังไม่ได้มอบให้กับพระเจ้าอย่างแท้จริงเราต้องสํารวจชีวิตของตัวเองเฝ้าระวังชีวิตของตัวเองและอธิษฐานกับพระเจ้าเพื่อชีวิตของเราจะไม่ถูกการทดลองจิตวิ ญ, ญญาณของเราและร่างกายของเราจะต้องเข้มแข็ง ไปด้วยกันมารซาตานอยู่รอบๆตัวเราพร้อมที่จะกระโจนเข้าสู่ชีวิตของเราการทดลองมีมากมายหลากหลายรูปแบบคริสเตียนเราต้องเตรียมชีวิตของเราให้พร้อมที่จ ะ, ะเผชิญหน้ากับการทดลองนั้นๆซึ่งไม่รู้ว่าการทดลองแบบไหนที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของเราบ้างเราจําเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังและอธิษฐานกับพระเจ้า เพื่อชีวิตของเราจะไม่ตกเป็นเครื่องมือของมารจะไม่ตกอยู่ภายใต้การทดลองหรือถ้าเราตกอยู่ภายใต้การทดลองเราจะที่ฐานขอพระเจ้าที่จะสามารถชนะและผ่านพ้นการทดลองเหล่านั้นมาได้เพราะว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าเราไม่จำเป็นที่จะต้องหวาดกลัวสิ่งใดๆเพราะพระเจ้าทรงรู้จักชีวิตของเราและชีวิตของท่านทั้งหลายต้องพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญหน้ากับพระองค์ ให้ชีวิตของเราในแต่ละวันอยู่เพื่อที่จะพิสูจน์ชีวิตของเราเองกับพระเจ้าขอให้เราพิจารณาดูว่าเราจะทําอย่างไรจึงจะปลุกใจซึ่งกันและกันให้มีความรักและทําดีเพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วว่าวันนั้นก็ใกล้เข้ามาแล้วชีวิตคริสเตียนเป็นสิ่งที่สําคัญ ในการที่เราจะปลุกใจกันและกันในการที่เราจะเฝ้าระวงังช่วยเหลือกันและกันให้สามารถผ่านพ้นในช่วงเวลาบางส่วนในชีวิตของเราให้เรามอบชีวิตของเรามอบชีวิตของเราในแต่ละวันให้อยู่ในน้ำพระทัยขององค์พระบูพเป็นเจ้ามีชายคนหนึ่งเขาถูกขังอยู่ในที่กักกันสมัยโซเวียตทุกวันเขาจะคุกเข่าหลับตาและอธิษฐานเพื่อ ที่เพื่อนที่อยู่ในคุกด้วยกันก็สังเกตให้เห็นเขาทำอย่างนี้ทุกวันจึงพูดกับเขาว่าการอธิษฐานไม่ได้ช่วยให้เธอออกไปจากคุกนี้เร็วขึ้นหรอกชายคนนั้นตอบกลับไปว่าฉันไม่ฉันไม่ได้อธิษฐานขอให้ออกไปจากคุกนี้เร็วขึ้นแต่ขอพระเจ้าให้ฉันมีชีวิต อยู่ในนามพระไทยของพระองค์ต่งหากการเฝ้าระวังและการอธิษฐานไม่ได้หมายความว่าชีวิตเราจะไม่เจอการทดลองแต่เป็นการเอาชีวิตของเราในแต่ละวันชีวิตปกติของเราทุกๆวันให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเพื่อว่าเราจะเฝ้าระวงังแล้วก็อธิษฐานท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐาน เพื่อท่านจะไม่ต้องถูกทดลองจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกำลังขอพระเจ้าเมตตาพ ร, พรค่ะ